อปปัติกะประเภทกายหยาบโดยปกติคนที่มีความเชื่อว่าโอปปปัติกะมีจริงหรือบางคนที่เคยเห็นโอปปปัติกะจริงๆโดยบังเอิญ น, นั้นก็มักจะมีความเชื่อกันอยู่ว่าเราเพียงแต่เห็นหรือได้ยินเสียง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 ร่างโรซาลีอยู่ได้ประมาณ15นาทีก็หายไปต่อจากนั้นดร p ไพรซ์ Price ก็เริ่มสำรวจบริเวณห้องทุกซอกทุกมุมอย่างถี่ถ้วนก็ปรากฏว่าตราผนึกทุกแห่งเรียบร้อยดีและแป้งผงที่โรยไว้ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดแตะต้องดรไพรซ์ Price ได้กลับไปที่สโมสรราชสมาคมและได้เขียนรายงานถึงเรื่องโรซาลีอย่างละเอียดถี่ถ้วน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 หน้า3 3ถึง